ความหลุดพ้นในตัวมันเองด้วยเรียกว่าต้นขั้วเลยที่จิตนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นัวหลงตกแต่งพฤติกรรมภายนอกทั้งหลายซึ่งเป็นปลายเหตุแล้วก็เป็นผลพวงมาจากตัญหาครอบงำจิตแล้วก็ตรงตรงเลยไม่ต้องซ้อนจึงจ้องต้องตั้งเพราะมันจะกลายเป็นของหนักเรียกว่า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 จเจริญท่านั้นท่านี้อยู่มันก็เลยอ้อมไปเรื่อยๆไม่จบสักทีจนปาชนี้ปาฉะนั้นแล้วก็ยังไม่เลิกปาธนายังไม่เลิกเพื่อทุกทีนึงเขาเรียกว่ามันหลงไปจัดแจงตบแต่งอรีบ ท, ทั้งหลายในลักษณะของการเข้าไปเจริญและการเข้าไปบำเพ็ญซึ่ง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 เเรียกว่าจะสภาวะรู้สภาพจิตธรรมแบบไหนก็ไม่ต้องมุ่งเอากันละวางตัวเอาเรียกว่าวางตัณหานั่นเองให้ยอมปล่อยในตัวมันเองแทนยอมผ่อนยอมคลายในตัวของมันเองแทนแทนที่จะมุ่งเอาแล้วลูกก็จะได้สำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันฉับพลันทันทีโดวยวางอยู่แล้ว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 มาจบตรงที่ยอมวางตัวมันเองนั่นแหละถ้ามันยอมวางตัวมันเองท่นตั้งแต่แรกๆ แ, แล้วมันก็ไม่ต้องลำบากเพราะการบำเพ็ญแต่ว่ามันไม่มีให้ฟังอย่างนั้นมันมีแต่ได้ยินได้ฟังให้ปฏิบัติให้บำเพ็ญมันก็เลยต้องมุดป่ามุดเขาตามกันไปหัวล่างข้างแตกถลอกปอกเปลดอกหมดฝ่าเท้าทั้งหลายเลือดตกยางออก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 เวทนามันก็ถอยถดหดหายไปเองเพราะเวทนาทั้งหลายก็มีผลมาจากการที่มันย้ำรู้ย้ำเห็นย้ำสัญญาย้ำนึกย้ำคิดจนก่อเกิดเวทนาในตัวมันเองขึ้นมาแขวนไว้เรื่อยๆเลยขยันคอยรู้ขยันคอยเห็นมันก็แขวนไว้เรื่อยๆแขวงไว้ไหนแขวงไว้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสรพสิปปส่งสปปรรพธาตุรูปธรรม ท, ทั้งหลาย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 ยอมปล่อยจริงๆจะไปอะไรเพื่ออะไรซึ่งนิดหนึ่งก็ไม่ได้เลยเรียกว่ายอมวางตันหาในตัวมันเองความริดลนนั่ะเรียกว่าตันหาทั้งนั้นแหละนั่นแหละทั้งหมดของเนื้อหาแห่งพุทธะพระนิพพานทั้งหลายอรหันต์ตนิพพานทั้งหลายไม่ใช่ข้างหน้า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 บาาบารมีทรงเป็นประธานกรรมทั้งหลายทั้งปวงของทุกหมู่ทุกเหล่าอโหสิอโหสิอโหสิ